อนิสงค์แห่งศีลสมบัติ5ประการคหบดีทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอนิสงฆ์ห้าประการอานิสง์ห้าประการนี้คือหนึ่งคหบดีทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติในโลกนี้ย่อมได้โพคทรัพย์ใหญ่หลวง ซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสงประการที่หนึ่งแห่งสีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลสองคหะบดีทั้งหลายกิตติศัพันดีงามของบุคคลผู้มีศีลมีสีลสมบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นอานิสงประการที่สองแห่งสีลสมบัติ ของบุคคลผู้มีสินสามคหาบดีทั้งหลายบุคคลผู้มีสินมีศีลสมบัติจะกเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยบริษัทก็ตามพรามณะบริษัทก็ตามคหะบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมแกล้วกล้า ไม่เกอ้อเขินเข้าไปนี้เป็นอานิสงฆ์ประการที่สามแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 4. ีขะหะบอดีทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอานิสงฆ์ประการที่สีแห่งศีลสมบัติ ของบุคคลผู้มีศีล 5. ้ขะหะบดีทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์นี้เป็นอานิสงส์ประการที่หแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล ข้าบอดีทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอานิสงห้าประการชะนี้แลครั้นทรงสแสดงธรรมีกถาชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิ ก, กาชาวปาตลิขามเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาจนดึกดื่นแล้วทรงส่งกลับด้วยรับสั่งว่าราตรีใกล้จะสว่างบัดนี้พวกท่านจงรู้เวลาที่จะกลับเถิดพวกเขากราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไป เมื่อพวกเขากลับไปได้ไม่นานพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าสุญญาคาร